อธิบอธิบายว่าขีรฐกีภูตาน้ำกับน้ำนมเนี่ยน้ากับนมผสมเข้ากันและการไม่แยกจากกันเหมือนเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเธออยู่ด้วยความสามัคคีจิตใจของเธอยังเป็นอันเดียวกันเข้ากันได้อย่างสนิทใจกันอย่างนั้นหรือคือบางคนเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องแต่ใจเนี่ยแตกเป็นสี่เสียงห้าเสียงละเพียงแต่ว่ารอความอะไรนะ รอให้มันมีเรื่องจุดชนวนกว่านี้อีกนิดหนึ่งแค่นั้นนะนะรอให้อีกฝ่ายหนึ่งประทุขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะกรีบกดอีกฝ่ายหนึ่งนะอย่างนั้นอยู่ไหมคือคือบางทีเนี่ยมันก็เข้ากันได้เพราะอะไรครก็คล้ายๆสมัยใหม่เนี่ยนะเขามีประเทศสองสาประเทศที่มันทะเลาะ ก, กันรายเรื่องประเทศนี้ทะเลาะกับประเทศนั้นประเทศนั้นทะเลาะกับประเทศนี้ทีนี้เอ๊ะทำไงเอาสาประเทศนี้มาคุยกันได้เอาคุยแต่เรื่องผลประโยชน์ของทุกคนดีกว่าอย่าคุยเรื่องไอ้เรื่องแตกแยกเก็บไว้ก่อนกันเรามา กรบไว้เหมือนกลบไว้ด้วยหญา้าเหมือนก็เอาเสือเอาพรมเนี่ยปิดๆไว้ก่อนไม่ต้องคุยหรอกไอ้เรื่องที่มันทะเลาะ ก, กันมาคุยเฉพาะประโยชน์กันแก่กันละกันพอแล้วบอกว่านี้พวกเธอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเข้ากันได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องขบเรื่องชันเรื่องอยู่หลับนอนแค่นั้นหรือเบื้องลึกจริงๆแล้วภายในใจพวกเธอเข้ากันได้ไหมเธอทะเลาะ ก, กันไหมเธอกินแหนงแคลงใจระแวงใจกันอยู่ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามแบบนี้มันจิตตุ บ, บาทแนวความคิดของเธ อ, อยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่หรือ เอาทีนี้เอาความคิดนะต่อไปปิยะจักขูหิตจักสุคือการตั้งด้วยเมตตาจิตเนี่ยนะมองด้วยจิตที่เมตตาไม่ใช่มองด้วยสายตามหิตใช่แผลรัรงสีอัมาหิตแผลไปตายได้ก็ดีเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ามองด้วยสายตาที่หวังประโยชน์แก่ผู้ที่ ถูกมองเนี่ยเรียกว่าติยะจักสุมองว่ามองให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบแต่ความเจริญเนี่ยนะมองเพื่อความเจริญของอีกฝ่ายหนึ่งพวกเธอมองดูกันและกันด้วยสายตาอย่างนั้นไหมแม่ที่มองลูกหวังแต่ความเจริญแก่ลูกฉันใดเธอมองกันแบบนั้นอยู่ไหมนะพระนุรุ ธ, ธาก็ตอบว่า เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ น, น, นะนะพร้อมเพียงกันชื่นบ้านกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมแลดูกันและกันด้วยจากสุอันเป็นที่รักอยู่แสดงว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมคล้อยตามกันไปหมดเลยเนี่ยนะนะทีนี้คำถามบอกว่าเอาแล้วพวกเธอทำอย่างนั้นได้อะปฏิบัติตัวกันยังไงนะลองเล่าให้ฟังเหมือนันเล่าให้ฟังว่าเข้ากันได้สามัคคีกันได้เนี่ย เข้ากันได้สามัคคีกันได้เพราะเหตุอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงมีความสมัครสมานสามัคคีกันพระอนุรุธาก็กล่าวว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระว ร, รกาศข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราเนาะเราได้ดีแล้วหนอะที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันทร์เห็นปานนี้ โอ้เป็นบุญของเราแล้วนะพูดภาษาเราบอกเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้รู้จักกับเพื่อนเห็นปานี้เนี่ยนะข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อท่านผู้มีอายุนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะตั้งเมตตากายกรรมทาทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งสองทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อท่านผู้มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตามโนยกรรมเนี่ยนะในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะต่อหน้ามีเมตตาฉันใดรับหลังก็มีเมตตาฉันนั้นอันนั้นรับหลังมีเมตตาฉันใดต่อหน้าก็มีเมตตาฉันนั้นนะนะเพราะอะไรเพราะหวังแต่ประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งมีแต่ความเจริญ ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้อีกว่าชะนะยเนอเราต้องเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้เราเราอย่าถือเอาความคิดของเราเป็นประมาณนะให้ถือเอาความคิดของเพื่อนเป็นประมาณเนี่ยนะเอาใจของเราไว้ก่อนเอาใจของเพื่อนเป็นหลักเราว่ายังไงไม่สำคัญสาคัญว่าเพื่อนว่าอย่างไงเพื่อนว่ายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นแหละเนี่ยนะว่ถ้าคิดกันได้ยังไงใครจะไปทะเลาะกันใช่ไหม ไอ้ทะเลาะกันบอกทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยเนี่ยนะก็มาคขำโยมก็บอกว่านะนะทุกคนเป็นซีอโอหมดเลยเนี่ยนะเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสิทธิ์เบ็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยน ะ, อ, ะอำนาจเบ็ดขาดอยู่ที่ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวใครจะ ย, ย, ายาม้มถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดทุกคนอะไรจะเกิดขึ้น น, นะนะทะเลาะกันเสียเนาะแต่นี้บอกไม่ทุกคนว่าทุกคนคิดยังไงทุกคนคิดว่าเออแล้วแต่เขาเถอเขาว่าไงก็ว่ากันนะ เน่ยนะเพราะอะไรเพราะยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเก่งอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเรายอมรับฝ่ายที่เขาดีด้วยเขาเก่งด้วยเขามีความสามารถด้วยบางทีเขามีข้อมูลมากกว่าเราเขาตัดสินใจเราก็ยอมรับว่าเออมันคงถูกแห ล, ละว่างั้นเหรไอการระมัดระวังเป็นเรื่องที่ดีไอการหวาดระแวงอะ่ะไม่ดีบางคนเนี่ยระแวงแต่พอพูดจริงใช้คําว่าระวังระวังกับระแวงเนี่ยไม่เหมือนกันคําว่าระวังเนี่ยหมายความว่า เมื่อมีเหตุการณ์ใดก็เกิดขึ้นก็ว่าไปตามกันแต่มีการตรวจสอบเออดีไหมเหมาะสมไหมมีอะไรไหมแต่ถ้าระเวงละ่ะผวาเลยมันจริงหรือเปล่ามันจะโกงเราหรือเปล่ามันจะหาเรื่องเราหรือเปล่านี้เอาเปรียบกันนี่ว่าอะไรเป็ตตนตไนก็จะเริ่มเรียกว่านนี้พวกนี้หว่าระแวงเพราะฉะนั้นพอข่าพระองค์มีความคิดว่าเราจะเก็บจิตของตนแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ พอข้าพองค์คิดอย่างนี้ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแลแต่ว่าจิตของข้าพระองค์ทั้งสามเนี่ยเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะมีใจเป็นอันเดียวกันแปลว่ามีศรัทธาเสมอการมีกุศลรธรรมทั้งหลายเสมอการเก็บเก็บอะไรเก็บจิตของตนประพฤติตามจิตอำนาจของเพื่อนทั้งหลายอันนี้เป็นคารายงานของพระ นันทิยะที่จริงสามองค์สามคนเนี่ยไม่เคยพูดคําพูดประเภทนี้เล่าสู่กันฟังเลยนะคือคือทุกคนเนี่ยมีแต่คนทุกคนมีความคิดแบบนี้แต่ไม่เคยคุยกันว่าเราเนี่ยทำตัวกันแบบนี้นะแบบแบบทุกคนมาสามัคคีกันนะอย่า ง, ง น, นั้นนี่อันนี้ไม่ต้องคุยเพราะอะไรเพราะมีความสามัคคีอยู่แล้วเนี่ยนะเคารพซึ่งกันและกันยำเกรงต่อกันและกันอยู่แล้วท่านพระนันทิยะก็กราบทูลแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ขอประทานพระวรกาธข้าพระองค์มีความดํางิอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราแล้วเนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจันทร์เห็นปานี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อท่านผู้มีอายุเหล่านี้เหล่านี้เนี่ยนะทั้งต่อนหน้าและลับหลังเข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลาบหลังเข้าไปตั้งเมตตามกกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้ง ต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าฉะ น, นเนาะเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติตามจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่ว่าจิตเป็นอันเดียวกันแปลว่ามีใจเป็นอันเดียวกันมีฉันทานุมัต อนุมัติเนี่ยนะมาจากอนุบวกมติมีความเห็นแนวเดียวกันไปตามร่องรอยเดียวกันมีทิฐิเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยประกอบด้วยเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พร้อมเพียงกันชื่นบานกันไม่วิวาทต่อกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมแลดูกันและกันด้วยตาอันเป็นที่รักอยู่อย่างนี้พระเจ้าค่าพอได้ฟังนี้พระองค์ว่าไง สาธุสาธุอนุรุธะเนี่ยนะสาธุสาธุอนุโมทนาเลยนะที่คาพูดเขาบอกว่าเธอบินทบาทฉันได้ไหมอดทนได้ไหมไม่ลําบากด้วยอาหารหรือบอกไม่ลําบากพระเจ้าค่ะเงียบไม่ว่อไ ม, ไ ม, ไม่สาธุะนะอุ้ยใครก็ฉันกันทั้งนั้นแหละว่างั้นนะเป็นเรื่องปกติแต่อายุด้วยความสามคัคคีนี่สิเป็นของยากอัตตะฐานหน้า16จึงบอกว่า อธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตามนโนกรรมต่อหน้ารับหลังหน้า16บหเจนี่ยนะมาดูว่าเมตตากายกรรมต่อหน้าเป็นอย่างไรก็บอกว่าเมื่อเตียงต่างพันดะข้าวของเครื่องใช้อันใดอันหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเก็บไม่ดีพอมองเห็นปั๊บไม่ดูหมินว่าสิ่งนี้ใช้แล้วควรมาเก็บ แหมตมหนีไหมเก็บไม่รู้จากที่จากทางอะไรเป็นต้นไม่ไม่ไม่ไม่ดูหมิ่นเหยียดย้ำแบบนั้นแต่แล้วเก็บของที่เขาวางไว้เหมือนกับตัวเองนั่นแหละทำไวไม่ดีประคับประคองฐานะที่ควรประคับประคองอันนี้ชื่อว่าเมตตากายกรรมต่อหน้าไม่ใช่ว่าเห็นถ้าใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยนะสอบสวนเลยเป็นอาทิตย์ดีกรมการปกครองทันทีเลยใช่ไหมไปยังไงมายังไงใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยสอบสวนอ๊ยเก่งมากเนี่ยชำระพิพากษาเบ็ดเสร็จหมด คนพิภาคษาคนคนเลยรำคาญหมดบ้านหมดเมืองเลยนะคือคืออันตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังว่าบางอย่างเนี่ยนะเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบพูดอะไรเกินไปแล้วค่อยคุยค่อยพูดพูดกันก็ได้ในบางกรณีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอเอาใหญ่เลยเนี่ย น, ะนี่เห็นไหมเนี่ยฉันไม่เคยบอกให้ซ้อนอะไรให้วางตรงนี้แล้วก็เอะอวยวาจะกอะไรนะ แต่ไอคนที่วางนี่มันก็เลือกเกินเนี่ยนะไอคนอื่นเขาวางถูกที่แล้ววันหลังก็เข้าเอี๊ยรอบเดิมอีกแล้วไงเนี่ยนะถ้าเป็นพระนะครูอาจารย์ทั้งหลายเขาจะลงธรรมกรรมคําพูดที่บอกว่าเมตตาต่อกันต่อหน้ารับหลังเมตตาวาจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะแล้วก็ทํากันแบบนี้หมายคำว่าทุกคนมีมีสิทธิเท่ากันทุกคนเช่นทุกคนคือเพื่อนกันเมื่อทุกคนเป็นเพื่อนกันอะ่ะ แต่ละคนไม่ใช่ใครปกครองใครทุกคนก็รักกันเหมือนกันหมดแต่ถามว่าถ้าแม่กับลูกทําไงลูกเ อ, อ้ยลูกจะทําอะไรเรียราาก็ช่างแตอนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะตามเก็บให้ก็มีอยู่วัดแห่งหนึ่งเอ้ยเออยใช้ใช้เพืเะมีอะไรก็ใช้ใช้เพืเ่เดี๋ยวหมดเดี๋ยวผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทีนี้อะไรเกิดขึ้นทุกคนสุรุย่ยสุร่ายใช้ข้าวของเละเทะหมดเลยนะไอ้คนพูดคนนี้เนี่ยเทะน้ําตาร่วงเลยเนี่ยนะ แค่ว่าอะไรนะแค่ว่าไอ้ไอตรงนี้ต้องดูว่าคําที่บอกว่าไม่ดูไม่ดูหมิน่นไม่เหยียดยามก็คือว่าทุกคนเคารพซึ่งกันและกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดํารองอยู่ในฐานะพ่อแม่หรือเป็นครูบาอาจารย์เมื่อเห็นคนอื่นทําผิดทําพลาดก็ต้องมีการบอกการสอนถ้ามีการบอกการสอนแล้วไม่เชื่อฟังอาจารย์ที่ดีพ่อแม่ที่ดีจริงๆรนะิะแล้วปล่อยมันเถอะนิสัยมันจะเละเทะก็ให้มันเละเทะต่อไป เขาคิดอย่างนี้ไหมถ้าเมตตาต่อการจริงๆแล้วต้องเคียนบ้างก็ต้องเคียนตีบ้างก็ต้องตีแบบท่าทางโลกะนะถ้าทางธรรมะก็ทําไงลงธนกรรมขนลงธนกรรมแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็บอกเธอหาอาจารย์ใหม่ได้แล้วเนี่ยนะไปเธอเนี่ยนะขอให้ไปให้สบายเนี่ยนะก็แปลว่าแยกย้ายกันไปแล้วกันคือทางพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้จําทนเลยนะไม่ได้สอนให้จําทนอดทนพระพุทธเจ้าสอน แต่จำทนพระพุทธเจ้าไม่สอนแยกอดทนกับจำทนได้ไหมคนที่ตกอยู่ในเบีย้ยล่างเท่านั้นแหละคนนั้นแหะจำทนตลอดไปแต่คนที่อดทนก็คือคนที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็ไม่ถึงโทษแนะนำกันได้ก็แนะนำกันไปบอกกันได้ก็บอกกันไปสอนกันได้ก็สอนกันไปถ้าสอนกันไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าสอนวิวธีสอนพระ อ, องค์มีกี่วิธีหนึ่งสอนละมุลละม่อมสอนแบบรุนแรงสามทั้งละมุน ล, ละม่อมและรุนแรงสี่ขาทิ้งแปลว่า ไม่สอนเนี่ยนะต่างคนต่างไปแล้วกันเนี่ยนะเออเธอมาจากไหนล่ะเขาจําได้ไหมทางกลับเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะก็ไปตามทางของเธอแล้วกันอย่างเงี้ยนะมันไอแต่ว่าหมายความว่าแนะนําโอว่าตักเตือนนะกิจของอีกฝ่ายหนึ่งทําแล้วไม่ตําหนิตัวเองในวันหลังแลว้วเนี่ยนะอันนั้นแหละ มันเมตตากายกรรมต่อหน้าเกื้อกูลกันนะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือข้าวของเครื่องใช้ที่อีกฝ่ายหนึ่งเก็บไว้ไม่ดีก็ช่วยนะคือว่าช่วยปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกันส่วนเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเป็นอย่างไรเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเช่นสัมโมชนิยกถาอันไพราะกล่าวปฏิสันถานสารานิยาัา พูดถ้อยคำเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงการการกล่าวธรรมการพูดสารพันยะถามปัญหาตอบปัญหากับพระเทระทั้งหลายนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้ามีการพูดคุยกันปราศัยกันสนทนากันซึ่งกันและกัน แต่ทุกคนเนี่ยนะถ้าทุกคนเขาเขามีสัมมาวาจาเนี่ยนะมันก็น่าสนทนากันใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานสัมมาวาจาแล้วสนทนาเพราะสนทนาเห็นแก่ประโยชน์ตนเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทุกคนสําคัญต่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งการสนทนากันของคนอย่างนี้ถามว่าน่าสนทนามั้ย บอกว่าน่าสนทนาแต่อีคนหนึ่งบอกขอให้ฉันพูดบ้างนะขอให้ฉันพูดบ้างอยากพูดมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้มันน่าสนทนามไหมบอกเออยแยกๆ ก, กันคุยแลนนย้วกันนะเนี่ยนะสวดมนต์เถอะว่างั้นอ่ะมันก็ต้องอคําว่าสนทนาเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเนี่ยคือคือพูดแล้วทุกฝ่ายก็ได้รับประโยชน์เข้าองค์แห่งวาจาสุภาษิตหมดเลยทีนี้ต่อไปเมตตาวจีกรรมรับหลังบอกว่าเมื่อพระเถระหลีกไป เช่นพระนันทิยะสหายรักของเราผู้มีศีลมีอาจาระอย่างนี้คือเรียกว่าชื่นชมกันรับหลังเออเนี่ยอย่างเช่นพระอนุรัตาก็ชื่นชมว่าพรนันทิยะมีศีลอย่างนี้นะท่านมีอาจาระอย่างนี้นะท่านพระกิมิลาเนี่ยคือชมเพื่อนคือเรียกว่าชมอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังแต่ไม่ใช่ว่าสองคนเขาทะเลาะกันนะคือคือต้องฟังให้ดีการชมอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยชมเพื่อให้เขาทะเลาะกันก็ได้ ชมเพื่อให้เขาสามารถขี่กันก็ได้ชมให้เขาทะเลาะ ก, กันนะรู้ว่าสองคนนี้เขาไม่ชอบกันวิธีให้เขาทะเลาะ ก, กันยิ่งกว่าเดิมทําไงรู้ไหมง่ายนิดเดียวชมไอคนที่เป็นศัตรูให้อีศัตรูเนี่ยฟังให้มากที่สุดเนี่ยนะเก็บคุณงามความดีรายละเอียดความดีทุกอย่างมาเล่าให้ฟังแล้วสองคนนี้เขาจะทะเลาะ ก, กันมากกว่าเดิมถามว่าทําไมเคยได้ยินไหมศัตรูคำว่าศัตรูชื่นชมศัตรูจะมีไหมไม่มีโรคเนี่ยนะ วันถ้ดดาด่าศัตรูให้ศัตรูฟังเนี่ยนะโอ้ยอันนี้ชอบมากนะปกติเนี่ย